ก็ความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องวัตถุปรมัตสุต่อไปก็ได้พูดมาถึงช่วงที่รับสั่งว่าพิสูนนั้นมีใจประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขา ไปไปยังทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองอยู่ทิศที่สามทิศที่4ก็เหมือนกันแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมิหารทั้งสี่นั้นเป็นมหกตะคือเป็นจิตใหญ่จิตที่สามารถส ง, งบจากอังกุศลบาปรธรรมลงไปได้ระดับหนึ่งตอนในขณะนั้นก็เป็นจิตไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่มีการพยาบาทบัแล้วก็แผ่ไปในทิศเบื้องบนเบื้องล่างอันนี้เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่ทรงแสดงเรื่องพรหมิหารหรือตามปกติเราจะพบเฉพาะเมตตาแต่ในกรณีที่ส่งแสดงเป็นสี่ข้อคือพรหมิหารหรือบางคราวเรียกว่าอัปปมัญญา การเรียกอภิมาญญานั้นแปลว่าเป็นพรหมิหารที่แผ่ไปโดยไม่มีประมาณแต่ว่ามันก็พัฒนาการทางจิตอ่ะโดยใช้พรหมิหารทั้งสี่ประการนั่นเองพอ ถ, ถึงจุดหนึ่งใจเข้มแข็งขึ้นก็แผ่ไปได้โดยไม่จำกัดเขาเรียกหาประมาณไม่ไ ด, ไได้คือไม่มีประมาณไม่นับว่ากี่คนกี่คนมันก็นับไม่ได้ พ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็รับสั่งว่าในที่ทุกแห่งด้วยประการชนีเธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เดวซามมีอยู่สิ่งที่ประนีตมีอยู่ทำเครื่องสลัดออกที่ยิ่งแห่งสัญญานี้มีอยู่เธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากการ ม, มาสวะภวาสวะวิชาสวะ ่อจิตล้นพ้ดแล้วก็เกิดญาณผุดขึ้นสรงนี้เป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ปกติหมายความว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะข้อใดก็ตามพอ ม, มาถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างในอนัตตลักษณสูตรหรือเพียงแต่ว่าจะทรงแสดงหรือไม่แสดง พระสินี้ที่จิงมันเกิดขึ้นภายในจิตของท่านที่เจริญพรหมหานนั่นเองก็แสดงเห็นว่าด้วยพลังของพรหมหารเนี่ยสามารถพัฒนาจิตของคนเข้าถึงจุดที่สมบูรณ์คือบรรลุมรรคผลเป็นพระหานได้เพราะนั้นจึง เห็นว่าน่าจะทำความเข้าใจในแนวที่ลึกต่อพระพิหารเพราะว่าตามปกติแล้วให้ลองสังเกตว่าถ้าเราไม่มีเมตตาในโลกมันอยู่ไม่ได้เมตตาจึงเป็นเรือนใจของคนที่สงใช้คำว่าเมตตาวิหารีพริจิตนั้นมีปกติอยู่ในเมตตา มีความสงบเย็นไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรใครใครประพฤติกระทำอะไรก็อดทนได้ให้อภัยได้ด้วยพลังของเมตตามันจะดึงดูดรธรรมะเราอื่นเข้ามาเสริมเป็นการรักษาสุขภาพจิตของตรเองเอาไว้ผาธรรมะคือเมตตาเนี่ยจึงปรากฏทุกแห แล้วก็เป็นเรือนใจของคนเรานึกดูว่าภายในครอบครัวถ้าขาดเมตตากันเนี่ยอยู่กันได้ไหมหรือว่าครูกรสิทธิ์เนี่ยขาดเมตตากันอยู่กันได้ไหมสามีก็ปัญญาขาดเมตตากันอยู่ได้ไหมเพราะงั้นในบางทีในเราเรียกว่าเป็นมิตรกันผลมิตรก็ดีไมตรีก็ดีเมตาก็ดีเนี่ยก็คือกัน คือคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่ขจัดกิเลสประเภทโทสะอย่างเบ า, เ, บาเช่นอารติคือไม่ยินดีมีความหมุดหมิดที่เรียกว่าปฏิฆะแล้วก็มีความโกรธหรือว่าการผูกโกรธหรือความพยาบาทหรือความอาฆาตเนี่ยมันจะถูกทำลายไปด้วยพลังของเมตตา ทนี้ด้วยพลังของเมตตาเราสังเกตว่าใครก็ตามที่เราเมตตาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมช่วหรือกื้อกูลเขาก็หมายความว่าเมตตาทำหน้าที่ขจัดกิเลสสายโลภะสายราคะได้ด้วยเพอไราตะทจัยเราเมตตาจริงแม้คนนั้นจะเป็นเพชรตรงกันข้ามมีระบุรุ่งสวยงามยังไงก็ตาม ด้วยใจที่มีเมต่านั้นถ้ามีจริงนะฮะคือจะไม่มองด้วยความกำหนัดในทางเพศแต่จะมองด้วยความเมตตาเัรสัมผัสจะต่างกันหรือสัมผัสโวยพลังจิตที่มีเมตตาคนจะรู้สึกสงบเย็นแต่ถ้าเป็นเป็นอาการของราคะหรือกรรมหลัะ คนจะรู้สึกมีปัญหาวิตกกังวลหวาดระแวงทีนี้ถ้าหากว่าคนทั้งสองฝ่ายมีด้วยกันมันก็เป็นเรื่องของกรรมคุณไปเมตตาจึงรับยกย่องไว้นะที่จริงก็เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตแต่ว่าก็เป็นบทสรุปในเมตานิสัง ส, สูตร หมายความท่านนำมาแสดงหมดทั้งสูตรมันก็ยาวหรือท่านก็สรุปด้วยข้อความสั้นๆว่าโลโกโปัตถามิกาเมตตาเมตตาเป็นคำคำจุนโลกเป็นพุทธศาสนสุภาษิตโดยสมเด็จพระมหาสมนเจา้ากรมพระยาวิชยานวรุตแต่ท่านไม่ว่าเองนะฮะท่านสรุป สรุปด้ยข้อความสั้นๆคำเราเนี้ยมีอยู่เป็นนันมากเขีนนิสมากะหนังไสยโยอะไรอะไรเนี่ยที่จริงก็เป็นการสรุปของพระเทพรสติสัมปัตตปฏิยาสติจปาปารธนาในที่ทั้งปวงนี้มีตังสาุรู ป, ปานังกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยที่จริงก็เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตคือครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยท่านต้องการสรุปให้เข้าใจง่ายคือจำง่าย แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะมันเป็นวิถีชีวิตยอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเมตาเนี่ยมันเหมือนกับบ้านทั้งหลังที่เราจะต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหลังเพราะเมตาจึงมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ซึ่งอย่าลืมว่าไม่ใช่ทาจิตได้ง่ายนะเพราะในจิตเราบางทีความเป็นเราเป็นเขา อ, อยู่เยอะ และแม้แต่พัฒนาขึ้นไประดับธรรมะมันก็มีเรากับพวกเราไอ้พวกเรามันขีดวงไว้มันขยับออกไปไม่ได้เลยกลายเป็นพวกเขาทีนี้ไอ้คำว่าทำยังไงจึง ส, สลายพวกเขาเป็นพวกเราได้มันต้องเป็นเป็นกิริยาปฏิกริยาแต่ว่าเราจะไปเรียนให้คนอื่นทำมันก็ไม่ได้เราก็ทำกับเราเอง เราจะรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องของเขาแต่เราทําใจรู้สึกว่าเขานั้นเป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกับเราคือถ้าคิดได้อย่างเนี้สุขสงครามทั้งหลายอจั ก, การทั้งหลายยุติศีห้าจะคุ้มครองโลกโดยอันตโนมัติเพราะว่าถ้าจิตไม่ตาแล้วสีห้า เอาสักยีบข้อก็ได้นะจิตเนสกี่ข้อก็ได้มันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมันโดยเฉพาะเวลาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพราะว่าจิตเราคิดมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์จิตเราให้คิดแบ่งแยกเพราะนั้นจึงที่บอกไว้ว่ามันเป็นระดับอุดมคติ นั่นเป็นการสะท้อนภาพที่ที่เรียกคําว่าสมณะก็เรียกคำว่าวันปชิตก็ดีมันเป็นบทพิสูจน์ว่าท่านเข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยแต่ว่าพูดในลักษณะงดเว้นก่อนว่าผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบันปชิตไม่ชื่อว่าสมณะเลยทีนี้คนที่ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนก็คือจิตกรดในเมตตาการุณา ที่เป็นตอนปลายของศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ทรงใช้คาว่ามีความเมตตาเอนดูต่อสัตว์ทั้งหลายมันมีทั้งเมตตาทั้งกรุณาแต่กรุณานั้นที่จริงมันมีสัตว์ที่ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ อ, อยังก็ประสบความทุกข์ แต่ตอนี้ถ้าจิตไม่กรุณาอยู่ก่อนไม่ไมตายอยู่ก่อนมันเกิดไม่ได้เพราะในที่ทั่วไปเราจึงพบเฉพาะเมตตาเมตตาเป็นฐานใจที่เรียกว่าเมตตาวิหารปีคือเป็นฐานใจอยู่ก่อนแล้วพอคนคนที่เราเมตตาเนี่ยประสบควาทุกข์มันจะเกิดกรุณาโดยธรมรมชาติของมันเราก็พ้นจากความทุกข์เรากเกิดพุทธิตา พะเขายั่งยืนอยู่ด้วยความสุขหรือเขาประสบผลของความชั่วเป็นวิบากกรรมของขมันกลายเป็นเรื่องนอกวิสัยที่เราจะไปทำอะไรได้จิตมันก็จะอยู่ด้วยเบคาเานกว่าจะเข้าถึงธรรมะครบทั้งสีข้อได้เนี่ยพลังของไมตาต้องสูงพันท่านจึงอธิบายว่า ภูมิหารสี่เนี่ยเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเป็นธรรมประชําใจอันประเสริฐแล้วก็หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่มีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติคือเราก็ไปได้หลายเรื่อ ง, งนะ คือหมายความว่ามองในแง่ดีๆอ่ะทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยท่านท่านอธิบายตานอธิบายเราเห็นว่าลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยมันมนีน้ำใจเยื่อใยไฝประโยชน์สุขแก่คนสัตว์ทั้งหลายในน้ำใจที่ปรารถนา ที่จะบันเทาทุกถอนทุกกระจัดทุกให้แก่คนทั้งหลายก็แสดงว่าใจเป็นสาธารณใจที่เป็นสาธารณถ้าเรามีคนอย่างนี้มากๆเนี่ยโลกมันจะน่าอยู่นะออเยอะนะอบอุ่นเยอะทีนี้เวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยคุณนายที่ทำได้จะแสดงแสดงให้รายละเอียด แต่ท่านเรียกว่าอาโ ท, ท, ทสัเจตสิกบอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นไปโดยอาการเกื้อกูลแก่คนทั้งหลายเพราะต่อไจที่ใจยังคิดเกื้อกูลแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่เนี่ยแสดงว่าจิตเรามีเมตตาถ้าใจเัาไม่เกื้อกูลเราแสดงไม่มีทีในี้ใจที่เกื้อกูลนี่แหละบางครั้งอาจจะโด บางครั้งอาจจะตำหนิบางครั้งอาจจะลงโทษเพราะอะไรเพราะปิดกั้นคนเหล่านั้นจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือกูลเป็นการห้ามปรามแต่เจตนาเป็นกุศลนะฮะเจตนานั้นเป็นกุศลเพรา ะ, ะนั้นเราก็มองกลับไปที่คำหยาบเนี่ย คำยาบการจะตัดสินเด็ดขาดลงไปว่าคำยังไงยากไม่อยากเนี่ยมันดูที่คำไม่ได้เราต้องดูที่เจตนาและดูที่ตัวคนเพราะการ ด, ดาูด่าตาหนิตีเตียนทุ้งติงบางอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้คำหยาบแม้แต่พระเจ้าเองก็ใช้แต่ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ของเธอไม่เหมาะไม่ควรไม่ใช่สมณน แต่ว่าสงใช้ถ้าบัญญัติวทวีไนเนี่ยมันขึ้นคาว่าโมฆะบุรุษก่อนเลยเนี่ยขึ้นคำว่าโมฆะบุรุษก่อนเลยเป็นสูตรลงมาเลยเป็นเครื่องหมายรู้ว่าสิ่งที่เขาทำาันผิดแล้วเราต้องหยุดพฤติกรรมขังนตัวเองทีนี้ภารกิจหน้าที่เนี่ยคือน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้แก่เขาอะไรก็ตามเป็นประโยชน์ คนคนจะสงเคราะห์คนอื่นในเมตตาที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันคําตอบข้อสุดท้ายว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราจะเห็นว่าการสงเคราะห์เป็นอันมากที่สงเคราะห์ของพวกปาปมิตรทั้งหลายเนี่ยทุก็ได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรยกตัวอย่างว่า ง, งานแต่งงานต่างๆในสังคมเนี่ยผู้ครองขวัญซ้ําเป็นกองเลย แล้วก็หาคำตอบไหด้นอกจากเอาไปขายหรือว่าคนมีฐานะดีๆก็เก็บไปนะเป็นที่ระลึกแต่นั้นเองมันไม่เกิดประโยชน์แสดงเห็นว่าอต่เมตตาตรงนั้นแหละที่จริงมันมีลักษณะเป็นมุติตานะตรงนั้นนะแต่เมตตก็ต้องอยู่ทีนี้ก็บอกว่าผลที่ปรากฏภายในจิต จิตเรานะจิตเราที่มีเมตตาเนะี่ยอย่างที่บอกว่ากุศลกับกุศลเขาไม่มีลักษณะรวมเพราะเมื่อเมื่อเมตตาเขาเกิดเนี่ยพวกความอาฆาตพยาบาทแค้นเคืองผูกโกรธจองเวนอะไรต่างต่างต้องสงบหมายความเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะไม่มี เขามีด้วยกันไม่ได้ระหว่างกุศลกับกุศลเนี่ยอันนี้จริงๆก็คือบทพิสูจน์แต่ตาปกติแล้วเราไม่ค่อยมองในมิติตรงนี้นะมันก็เป็นลักษณะฉาบฉวยบางทีก็สวมหน้ากากใส่กันไม่ทำตัวให้ชัดเจนโปร่งใสและประการต่อไปก็คือ เป็นปทัฒฐานเนี่ยหมายความว่าสังคมที่อยู่ร่วมกันหรือคนที่มีจิตประกบรอบด้วยเมตตาเนี่ยมันเต็มภาวะที่น่าจเจริญใจของคนของสัตว์ทั้งหลายถ้าสมมติเรามองคนที่เราเมตตาเนี่ยก็ mm hmm. จะไม่เรียบร้อยก็ mm hmm. จะเกกะ mm hmm. เขาจะไม่สุภาพอ่อนโยนจะก้าวร้าวอะไรต่ออะไรเราก็มองเขาด้วยความเข้าใจ mm hmm. เห็นใจแล้วก็ให้อภยัยอดทนรอคอย คือไม่กระโจนลงสู่ความเลวร้ายอย่างที่เขากระทำเพราะจิตไม่ตา ม, มันเป็นจิตที่มีละแต่เราจะเห็นว่าบังทีคันติเป็นคันแต่ก็แสดงว่าไม่ตามไม่แกลงโปรไมตามไม่แกลงอดทนก็อ่อน เพระเาะพวกนี้ขวายกุศลและทำด้วยกันเนี่ยหมายความเมตตาก็ดีอดทนก็ดีให้อภัยก็ดีมีสติมีสัมปชัญญะมีหิริมีอัตตปะมันก็ผสมกันดูนะครับเขาเรียกเป็นปัจจัยเสริมแต่ตัวหลักที่ปรากฏใ น, นจิตก็คือเมตตาโดยการที่คนอื่นก็สัมผัสได้เนี่ยเป็นอาการของเมตตา ทีนี้ในข้อต่อไปคือกรุณากรุณานั้นมีสัตว์ที่ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์ตามปกติค่อนกันเกิดยากเหมือนกันพระไวยพระสัตว์โลกคล้ายๆมันจะมีวิญญาณดิบอะไรอยู่สักอย่างสองอย่า ง, งนะครับคือวทิยากับเบียดเบียนตอนนี้พาเจ้าตรรู้ใหม่ๆประทับที่ต้นจิตชื่อมุจลิม ส่งชายที่ไปจักสุตรวดดูสัตว์โลกไอ้สากลและปิพภพทั้งหลายเนี่ยฮะเขาเรียกว่าในแสนโกดจกวาลนะฮะมันไม่มีอะไรเลยมีแต่เบียดเบียนกันมีแต่สัตว์ที่เบียด เ, เบียนกันประทุจรายกันบนบทสรุปของพระพุทธเจ้าเนี่ยวันโลกเนี่ยถ้ายุติการเบียดเบียนกันได้เนี่ยโลกก็จะเข้าถึงความสุข ทึงใช้คำว่าอัิญาปัจังสุ ข, ขั้งโลเกปานัมปุเตสุสัญญโมการไม่เบียดเบียนกันคือการระมัดระวังสํารณมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกัตสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นความสุขในโลกแต่สัมผัสได้ยากนอกจากว่าคนจะสัมผัสด้วยใจของแต่ละคนเองแต่ให้เป็นส่วนรวมเช่นสมมติว่าบ้านเนี่ย มันสงบสุขเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยเพราะเพราะว่าเข้าถึงธรรมะไม่มากพอที่จะให้เกิดความสงบมันมีแรงกระเพื่อมอยู่ได้เร่เร่คนบ้านที่สงบสุขเนี่ยจึงหาได้ยากเรียกอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยหาได้ยากเพราะว่าผานจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันมันต้องไม่ถูกเผาหลุดอะ ทีนี้เอกรุณาเนี่ยนอกจากค่าศึกหลักคือวิหิงสาคือความเบียดเบียนให้เราสังเกตว่ามนุษย์เราเนี่ยแปลกคือชอบความรุนแรงชอบการเบียดเบียนแล้วก็บางทีก็ริษยาริศยานั้นก็เป็นค่าศึกต่อมุทิตานะฮะเราจะเห็นว่าในการามีกิองการเบียดเบียนเนี่ย คือบางครั้งมันเห็นความรุนแรงแลยรู้สึกว่าสะใจชอบดูความรุนแรงต่างๆให้เราสังเกตอย่างหนึ่งว่าภาพยนตร์อะไรที่มีความรุนแรงอ่ะคนจะดูเยอะและบางครั้งก็เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งรุ่นเลยนะฮะเช่นอะไรอะภาพยนตร์ฝรั่งที่เขาดังอยู่เรื่องเนี้ย คือมันเริ่มต้นมาจากบทภาพยนตร์มุกเทศลรุนวนมันจินตนาการแต่ว่าคนชอบเพราะว่ามันมีความรุนแรงม่าถึงนาอัศจรรย์คนจะชอบในลักษณะอย่างนี้นมันกรุณามอเกิดเนี่ยมันจะสงบวิหิงสาคือความเบียยเบีลยแต่ใ น, นขณะเดียวกันสิ่งที่เรียกข่าสึกใกล้ชิดซึ่งถ้าเราไม่สังเกตรเราจะไม่รู้ นั่นคือโสกจิตคือจิตที่มันโศกเว่าเราเกิดสงสารใครแล้วเราต้องการให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์หรือพยายามขวนขวายแล้วพยายามทําแล้วพยายามพูดแล้แก้ไขไม่ได้เขาก็ยังเป็นอันตรายเราจะโศกเราจะเกิดความโศกและพวกนี้จะอยู่นานนะเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าอย่งอางพี่น้องทาง อันดามันเนี่ยที่ประสบความรัฐพลาดสูญเสียจะพูดเมื่อไหร่ก็ร้องไห้เลยมั น, นแล้วอาจจะอีกสิบปียี่สิบปีเนี่ยมันกัดกร่อนในภายในใจคนที่รักต้องพัดพาดจากไปเขาเรียกปิยวิปโยคพูดทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งมันกัดกร่อนจิต เคยพบคนบางคนเนี่ยมันแทบลากสูญเสียจากเบียชนคนที่รักเนี่ยประมาณสักสี่ปีมาแล้วตอนนี้ท่านก็แก่มากแล้วแท่านก็ยังซึมเศร้านะฮะเป็นโรคลักษณะซึมเศร้า ม, ม, มันไม่ใช่กรุณานะฮะแต่เป็นเป็นโศกะเราสังเกตว่าโศกะเป็นทุกขษัตริ์กรุณาเป็นมรรคกษัตริย์ เพราะนการการจาแนกตรงตรงนี้ที่จริงควรจะชัดเจนนึกถึงอริยสัจไว้ตลอดเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากอาริยสัจแม้แต่โลกุตระก็ยังอยู่ในอริยสัจนะเพาลักษณะของกรุณาเนี่ยในพิธรรมท่านบอกว่าลักษณะก็เป็นไปโดยการปลดปลื้มทุกแก่คนทั้งหลาย คือเงคนประสบความทุกข์้ต้องการให้เขาหลุดพ้นอาจจะขวนขวายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพื่อท่านอธิบายสภาพจิตของพระอระหรันตั้งแต่พระพุทธเจ้าัแต่่วนลองสังเกตนะพระอระหันต์ชุดแรกชุดชุดชุดหกสิบรูปแล้วก็บวกกับพัทธวัคคีอีกเก้าสิบ นั่นคือพลังของการุณาที่ท่านเที่ยวจาริกไปในคามในคมชนบทราชธานีต่างๆไปไหนบ้างก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานเลยถ้าไปด้วยการุณาคือโดยสภาพจิตอย่างที่เคยบอกว่าการเกิดขึ้นของของมรรคผลในในภายในจิตของคนเนี่ยแต่แม้ธรรมะ ส, ส่วนอื่นที่ดับที่ลดหลั่นขึ้นจะเกิดปัญญา ปัญญาก็ทําให้ทิสลายโมหะพอโมหะมันลดโลภะราคะโทสะมันลดตามไปหมดเลยเพราะั้นจิตจะบริสุทธิ์ระดับสีระดับสมาระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาบริสุไไทธิ์ไปเรื่อยๆงนี้ตัวเองสัมผัสสุขสัมผัสสงบสัมผัสยือกเย็นมีปีติมันเกิดกรลุลนาเตรียมล้นขึ้นภายในจิตของท่านต้องการจะเห็นสัตว์ทั้งหลายเลย เพราะท่านมีสัตว์ที่ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์แต่ว่าในสายประเนตรของพระพุทธเจ้าในสายตาของพระา น, นั้นสับไปชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยอยู่ในห้วงองทุกข์ทั้งนั้นหมายความว่าสัตว์ที่ยังเกิดอ่ะยังเกิดยังแก่ยังตายอยู่เนี่ยเห็นไหมชาติที่ไปดูขาฉันราไปดูขาเมื่อนำไปดูขามันทุกข์ทั้งนั้นเพราะสัตว์ที่ยังเกิดเนี่ยก็ถือว่าทุกข์ทั้งนั้น พอกลายเป็นรูปร่างกายขึ้นมาท่านจึงเรียกว่าทุกขกขันคือก้อนทุกข์อ่ะจริงชีวิตเราไม่มีอะไรจริงๆคือก้อนทุกข์มันยุ่งแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ในใแต่ละวันมันยุ่งอยู่จริงๆทุกข์ในสิเรื่องอย่างทีบอกว่าทุกสิบเรื่องเนี่ยเราก็บริหารไม่หวาดไม่ไหวแล้วหนาวรอ้อนอิ่วกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตาย มาด้วยกันไปด้วยกันนะตายด้วยกันนะียเพรา ะ, ะนั้นความทุกเหล่าเนี้ยตามปกติแล้วเนี่ยคนจะเห็นได้ยากดังนั้นจึงเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานพระเจ้าต้องสอนให้คิดบ่อยคือแต่ไม่คิดไม่เห็นนะ่ะทางด้านที่เราอยู่กับมันตลอดอะเราไม่รู้จักมันเลยความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดสูญเสียต่างต่างเนี่ย เราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าอาศัยการเกิดที่สืบเนื่องกันไปหรืออศัยการผัดเปลี่ยนได้ลดความรุนแรงราไปได้แล้วก็เพราะการเกาะกลุ่มกันอยู่ทำให้เราไม่เห็นไตรลักมันต้องอยู่ในสภาพของ อนุบไม่เห็นคว้าปลาไม่เห็นน้ำาสเดือนใสเดือนไม่เห็นดินหรือถ้าคนเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรคือทุกข์ล้วนๆนอย่างพระวิชิราเทรีภิกษุณีท่านกล่าวตอบคำพูดของมานะฮะในภิกุณีสังยุตถ้านบโลกนี้มันไม่มีอะไร มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์่านั้นตั้งอยู่ทุกข์ท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนั่นคือมิติของพระอาาร่านท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงตรงนั้นได้แต่เราก็ยึง <c oughs> ลายยังเป็นเราเป็นเขายังเป็นพวกเราพวกเขาแบ่งการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรบกันอะไรก็ไม่รู้ลุงรังไปหมดเลยเสียได้ น, ดนั้นเราครอบครองธรรมะอยู่ ประพงมันนานแต่เราก็สัมผัสได้ค่อนข้างฉาบฉวยแต่ว่าคืออัตราเลียเราก็ถือว่าสังคมพุทธเนี่ยสัมผัสได้ลึกพอสมควรเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ ม, มุมของมิติทางประวัติศาสตร์นะว่าพุทธศาสนิกชนไม่เคยใช่ศาสนาไปต่อสู้ทางสงคราม ไปต่อสู้ทางเศรษฐกิจไปต่อสู้ทางสังคมต่อตั้งไปต่อสู้ทางการเมืองไม่ไเคยออกไปใช้มันก็แยกเรื่องเลยแต่ก็อาจจะนำไปเป็นเป็นหลักยึดเหนี่ยวหลักคิดเหนี่ยวในด้านจิตใจเพราะว่าธรรมะสอนไหมดทุกเรื่อง ธรรมะจริ ง, รงๆกุศลอกุศลนี่เป็นกระแสะของสังคมนะฮะรเราเหนว่ากุศลก็คือมรรคศาสตร์อกุศลก็คือสมุทัยศาสตร์มันเป็นกระแสะสังคมสังคมมันมันเคลื่อนไหวไปตามเนี่ยตามทุกสมไทยในรถมากแต่การที่เด่นเนี่ยคือกุศลอกุศลแต่คนที่ชอบเนี่ยคือคือคนชอบติดตามเนี่ยคือกระแสะของมกุศลนะข่าวคราวต่างๆที่นึ่งซีนนึ่งซอพิมพ์ผ้าหัวเนี่ย คือถ้าหนังสือพิมพ์เขาจะปฏิบัติธรรมนะแล้วเขาก็นำเสนอเฉพาะสิ่งดีๆที่มันสร้างสรรพัฒนารู้อะไรควรเสนอหรือไม่ควรเสนอเราก็เลือกเสนอเฉพาะที่เป็นการกระตุ้นเร่งร้าเฉลชฉวนชักชวนในน้มน้าวเขาหาความดี แล้วเขาก็ไม่เสนอหรอกคือพูดยังไงเขก็ไม่เสนอหรือเขาก็สถาปนาตัวเองเป็นอะไรลัทธานนันดอนที่สี่แต่ยิงเป็นลักษณะธุรกิจที่ไม่มีเงื่อนไขต่อรองเลยนะหรือผิดเนี่ก็ขายเท่าไหร่ก็ขายก็ขึ้นราคากี่เปอร์เซนต์บางที่ตั้งสองร้อยอร์เซนนะขึ้นพรดเดียวเลยไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลย เพันเราจะเห็นว่าประมองีนเมตตามันก็หายากยิ่งกรุณายิ่หายากที่จริงและโอกาสทําความดีในจุดเนี้จะจะมาหาศารมากมากโดยเฉพาะสื่อทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าถ้าฐานจิตมันอยู่ที่เมตตากรุณามื่ที่ตาเบิกขานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณาเนี่ยไม่ช่วยเหลือคือกลุ่สังคมได้มากเพราะว่าเวลาคนํานเสนอเนี่ยหนังสือพิมพ์วิทยุก็ไปอ่านก็อาจจะ หรือพิ์นั่นแหละโทรทัศน์เองก็เอาไปอ่านไปออกเพราะันตัวนี้จะมีอิทธิพลมากนะและที่สำคัญ ย, ยิ่งก็คือมันเป็นลายลักอักษรที่ค้างอยู่ในโลกนานอยู่ได้นานแต่ก็ไปปรากฏตัวในที่ต่างๆในรูปแบบต่างๆคนอ่านคนดูคนเห็นก็ซึมซับในเรื่องไม่ดีแล้วเวลานี้มันมันไปกันใหญ่ ยังสื่อทั้งหลายที่ดึงเด็กลงไปมีสัมพันธ์ทางเพศในตัวเลขวางแห่งเนี่ยบอก ถ, ถึงถึงเก้าขวบบางแห่งบอกสิบเอ็ดขวบไอ้ส1บอดขวบก็สยองแล้วนะฮะแต่ลงมาถึงเก้าขวบเราก็ตกใจไม่รู้จะแก้ไขยังไงมันก็เป็นเรื่องนอกวิสัยแต่ว่านั้นแสดงเห็นว่าโลกเนี่ยมันหาลือ ข, ขวดได้ มันนึกว่าลูกหลานเราจะเป็นยังไงจะเดือดร้อนกันยังไงบ้างนะครอบครูก็จะเป็นยังไงไหนะชอบเสนอครอบครัก็แตกแยกหัวเมียก็ทะเลาะกันในชอบมือใจไม่มีเมตตาพอดู ก, กรุณายิ่งยิงริ ง, ง, ง, งเลยเลยคือจะไปซ้ำเติมเขานะฮะไปซ้ำเติมเขาเรื่องเมื่อเรื่องีเขาแย่แล้วนะฮะไนเไปถ่ายภาพว่าซ้าเติมไวอีกไปจานเขา บอกชื่อพ่อชื่อแม่บอกชื่อเลขที่บ้านหมดแต่ว่าขอส ง, งวนนามไม่ต้องส ง, งวนหรอกเขารู้แล้วผลจิตไม่ตากรุณาจริงๆ จ, จ, จึงทาาํทาได้ยากทั้งๆได้ว่าคนอยู่ในฐานะที่จะทําเนี่ยแต่เขาก็ไม่อยอมทําอ่ะเพราะว่าการการไหลไปตามกระแสกิเลสเนี่ยเป็นทางมาของผลประโยชน์มหาศาลแต่การทวนกระแสกิเลส มันเป็นสุขสงบเย็นแต่ว่าคนจะใช้ความพยายามต่ำลักษณะของการุณาท่านบอกว่าจะไม่นิ่งดูดายทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อทุกข์ของคนสัตว์ทั้งหลายและอกตผลที่ปรากฏแก่กจิตนะคือจิตจะไม่มีวิหิงสาคือความเบียดเบียนอย่างน้อยสงบสงบวิหิงสาคือความเบียดเบียน แล้วก็ประทับฐานคือเห็นภาวะร้ายที่พึ่งสภาพอเ น, นตนาณาถาทุกทรมานของคนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดใจิตใจอ่อนโยนต้องการมีส่วนร่วมถวนแบ่งต้องการช่วยเหลือ อย่างกิจกรรมที่สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะรู้สึกจะช่องเจ็กับช่องสามนะฮะเขานำเสนอมาตลอดเป็นเรื่องที่น่าน่าคิดมากแสดงว่าสื่อสารมวลชนในแนวเนี้ยคือหนกการนำเสนอแนวเนี้ยที่จริงมันก็ช่วยทำให้จิตใจคนอ่อนโยนถ้าฟังเราสังเกตฮ ะ, ะว่าดอกส้อยสุภาษิตสร้างลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนนิ่มนวลเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต รูปขวังตั้งแต่เด็กคนสมัยนี้ก็เก่งฮะเขาไม่เอามาใช้ปฏิรูปการศึกษาจนเมื่อก่อนนักเรียนอาชีวะตีกันเวลานี้นักเรียนมาวาลายยกพวกตีกันแล้วปฏิรูปยังไงก็ไม่รู้นายดูดินกันทีนี้มุทิตาเนี่ยมุทิตานั้เ น, เ, นเขามีสัตว์ที่ประสบความเจริญเวลาเพื่อสเสริมสุขเนี่ยเป็นอารมณ์แต่ว่า แต่ก็มขกีขั้นสึกขั้นสึกสงข้ามเนี่ยคือไม่ยินดีหรือริษยาแล้วตัวที่ใกล้เนี่ยไม่รู้หรอกเฮ้อุนยะคือขอมีส่วนร่วมส่วนแบง่งนะไปแสดงมุทิตาก็ต้องการได้รับของแจก นะบางทีเราเห็นว่ากิจกรรมต่งตางๆเช่นอะไรล่ะตอนห้าธันวาพระคอรับสมณศักดิ์กันเนี่ยโอ้คนมุติตากันเยแล้วใครใีของแจกมีพระเครื่องแจกแม่อะไรแต่อะไรแจกคนจะเยอะมากมุติตาเยอะมากแลาวเราเห็นว่าแนวตัวนี้มันมันทำอะไรยากเป็นหมดแล้วจนบางทีแม่แต่ไปเผาศพเนี่ย มันน่าจะเป็นที่ตั้งของธรรมสังเวชเอาต้องการจะไปได้รับของแจกการเป็นกลุ่มผลประโยชน์จานวนมหาศาลได้เกาะกลุ่มกันแล้วก็เที่ยวเผาศ พ, พต้องซื้อแจกมาขายที่จะรูกจักมันจะธรรมะนะเป็นโลภะเลยต้องการมีส่วนแบ่งเพราะใ น, นส่วนแบ่งเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นลักษณะโลภะ ในประการต่อไปก็คืออุเบกขาอุเบกขานั้นแปลว่าจิตที่ไม่ยินดียินร้ายคือจิตที่มัธยัติอยู่ตรงกลางเพราะงั้นจึง อ, อ้อลืมบอกไปคือลักษณะของของมุติตาเนี่ยพรอยินดีนะแล้วก็ยินดีกับเขาไม่ริษยานะ ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อต่อมุทิตาเนี่ยเขาเขามุทิตาเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อริษยาเขาเกิดเธอเกิดไม่ได้ฉันอยูเย่เธออยู่ไม่ได้แต่จะพูดได้ไงแกก็บอกถ้าฉันอยู่เนี่ยเธออยู่ไม่ได้แต่บอกวาดูที่พลังอยู่ที่พลังว่ามีกำลังมากไหมถ้ามีกำลังไม่พอก็โอกาสจะแพ้ฤิษยานี่ได้เนยเพราะว่าฐานจิตไม่ตามันไม่แกร่งพอ มันต้องกลับไปที่เมตตาเพราะถ้าฐานจิตเกร่งพอแล้วเนี่ยมันจะเป็นมุทิตาที่บริสุทธิ์มากไม่ต้องการอะไรแต่ต้องการจะเห็นเขาดำรงอยู่ในลาจดสันสนุกเนี่ยนานๆเังนั้นผล ท, ที่ปรากฏก็คือขจัดทิศาออกไปจากใจทาให้ลักษณะทางสังคมหรือการอยู่ร่วมกันภายในสังคมเนี่ย ก็เห็นสมบัติถึงความสำเร็จของคนทั้งหลายเอ่อแล้วก็เกิดเกิดมุทิตาไม่ใช่ง่ายนะทีนี้เบขาเนี่ยเบขาท่านบอกว่ามีลักษณะเป็นไปโดยอาการเป็นกลางต่อคนสัตว์ทั้งหลายใจมัธยัตเป็นกลางคือเบขาเวลาท่านอธิบายเนี่ยว่ายั้งสิบ สิบ เ, เป็นความเข้มข้นเป็นความเข้มข้นที่ต่างกันแล้วก็มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตว์ทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่ไหเราต้องมองเห็นกฎของกรรมเลยตอนชัดเจนในกฎของกรรมมั น, น, นไม่ใชท่ทัดเทียมกันนะฮะความเสมอภาคกันนี่คือเสมอภาคในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วคนเราก็เป็นไปตามกรวนการของกรรม ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งจบปสี่คนหนึ่งจบปริญญาแล้วก็ให้เสมอภาคกันจะทำงานเท่ากันเสมอภาคในความหมายที่เรียกร้องในจริงเป็นภาพลวงเฉยๆแล้วคนก็นึกว่าคนเราเสมอกันมาในทิศทางเสมอกัร น, นะฮะก็ทำยังไงก็ไม่เสมอกันนอกจากว่า เสมอกันที่แก่เจ็ตายแต่ว่ารายละเอียดก็ไม่เสมอกันเสมอกันต้องกดใจรักเอารายละเอียดก็ไม่เสมอกัรเพราะนั้นที่แน่นอนที่สุดก็คือตายเสมอกันคือแก่จะตายนั่งเสมอกันแต่ตายนั้นต้องลงว่าเวลาสถานที่อะไรแต่ละก็ต่างกันเวขาจึงทําหน้าที่ขจัดอคติคือจะมึดศึกลำเอียง เพราะใจเป็นกลางตัวอย่างที่เราใช้เบคหาได้เนี่ยได้ดีเนี่ยนการตรวจข้อสอบสางที่ภาคษาอัตกรดีทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็งงเหมือนกันนะฮะตีที่ข่าวพูดถึงการชดเชยที่ดินที่สร้าง เ, เขื่อนปราศก์เอ๊ะทำไมไปตีราคาที่ดินเท่ากัน กิตดินุญเาไม่เท่ากันอยู่โดยธรรมชาติอยังนึกไม่ออกเราเอ๊ะเขาคิดอย่างไงอะคนสมัยนี้ก็คิดอย่างไงคือสถานการณ์ดั้งเดิมในเราพูดถึงตั้งเดิมก่อนจะมีเขื่อนอะที่ดินในแต่ละจุดไม่เท่ากันและคุณภาพดินก็ต่างกันบางที่ดินมันเป็นเป็นที่ตากตาบอดอะไรต่างๆเอ๊ะมันตีได้เท่ากันก็มีคนหนึ่งได้รับตั้งท่ายหกร้อยกว่าล้านนะที่ สืบพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์กันเอ้นึกว่าเอ้ใครเป็นคนวินิจฉัยเขาตกลงเขาไม่อยากอ่านหอกเม่ออ่านแล้วมันสลดใจเฮ้ยเขาคิดเขาจะไงคืออย่าลืมมานี่คือแผ่นดินนะเราไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินนะแผ่นดินเั็นที่เกิดเป็นที่อาศัยอาศัยอยู่อาศัยตายด้วย ได้ปล่อคนบางพูกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองแผ่นดินไว้จนวนมหาศาลนะแ้วก็เรียกร้อง ผ, ผนปรบแทนเกินกำลังเรียกร้องจากแผ่นดินนะั่นนะฮะมันเนทรัพย์สินของแผ่นดินฝังการทำใจให้เป็นอุเบกขาคือในชีวิตประจำวันเนี่ย มันจะต้องกำกัดจิตไม่เกิดความยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ายมันไปสะสมพวกฉันถากติกระทศกติพยาคติเถ่นี้การที่จิตยินดียินร้ายก็แสดงเรา ม, มีโมหะแล้วก็กลายเป็นพวกอ ก, กติทั้งหลายเพราะท่านยังบอกว่าอุเบกขานั่นเป็นไปลายเดอรการเป็นกลางต่อคนสัตว์ทั้งหลายเป็นหน้าที่คือมองเห็นความเสมอภาคในสัตว์ทั้งหลาย ก็ดนยาที่กล่าวแล้วนะที่ผลที่ปรากฏแก่จิตเนี่ยคือขจัดความขัดเคืองเสียใจและความคล้อยตามดีใจคือหมายความว่าเราจะเห็นว่าในลักษณะของอคติเนี่ยตามปกติแล้วมันก็ฉันทากตินี่จะคล้อยตามโทสะกติเนี่ยจะจะขัดขวาง นั้นเอาอารมณ์ตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางในการตัดสินแต่ว่าธรรมประปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องเอาธรรมะเป็นเป็นฐานพราะอาจารย์บอกว่ามองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนว่าผลที่เป็นความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมของเขาก็ เ, าเป็นไปตามกรรมขเขาอย่างบทสทวดเทวาเนี่ย เขรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกํามเมิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลกับนั้นต้องฟังทั้งหลายเสียงธําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพร่บูรในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี